ก็ถ้าหากว่ามันไปตกลงในคาบริกรรมปั๊บเนี่ยก็รู้มาทั้งสองอย่างไว้ก่อนความรู้สึกตัวแต่เน้นความรู้สึกตัวที่เราสัมผัสได้ชัดๆแต่ว่าตัวความเคยชินคือตัวบริกรรมขึ้นมาก็ช่างมันแต่จะไปใส่ใจเพราะตามปกติจิตของเรานะมันจะมีขนาดเดียวใช่ไหมขณะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมีความถี่สูง เวลาต้องการจะรูน้นี้มันก็สวิง g กลับตรงนี้บ้างมันก็แตะถ้าจะยิ่งสูงมากการเลือล่อนลึกมันก็ชัดมากแต่เพราเส้นตะวันตกดเข็มอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกตัวนะไอ้ตัวนี้มันกลับมาบ้างแต่ว่ามันมาแตะตรงนี้บ่อยๆแต่พอเราความรู้สึกเบาปั๊บมันก็มาแตะที่ผู้โทรบริกรรมนะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกตัวที่ชัดมันก็มาแตะตรงความรู้สึกชัดแต่ตอนแรกชัดบ้างไม่ชัดมันก็เข็มเรื่องแขวนเนี่ยเคยสมัยเป็นเด็กนะผพ่อชอบเอาทู่มันนะจุดแล้วก็หัก ทายมันก็หมุนเล่นจากจุดเดียวมันกลายเป็นหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันจุดเลยใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมเลยความถี่ของจิตก็ลักษณะอย่างนั้นเมื่อไรแต่ปับ๊บมันหมุนติ้วเลยหมุนเพื่ อ, อรอบมันการรับรู้ ม, มันจะสูงนะเหมือนกันเมื่อมีพุโทโธขึ้นมาปับ๊บจับความรู้สึกตรงนี้ชัดๆเหมือนเข็มถูกดูดมาทางความรู้สึกตัวมันว่าแตกนี่ก็แตะไม่นานมันก็ค่อยจางไปเองเข้าใจไหม โ okay. อเคอ้าท่านต่อไปก็ก็เขาเชิญทางนี้อันหน้าส่งใหมาอันหน้าสำหรับผู้ใหม่อยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเอาไปทำแล้วมันจะไม่สงสัยไม่สงสัยแล้วก็ทำได้ดีทีนี้กับขอบรยรญางสองแล้วก็คือปกติเวลาเรายกมือสร้างจังหวะใช่ไหมครับ เ, เวลาเรามีฟังขึ้นมาเนี่ย บางทีเราก็สามารถปล่อยมันไปไนดะ้พอเรารู้ปุ๊บมันก็จะหายไปดีแต่คที น, นี้นมันมีบางครั้งที่มีความคิดบางอย่างครับที่มันมาแล้วไม่ยอมไปอก็มันไม่ใค่มาติดต่อเนี่ยคือว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องที่ทำ ง, งานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าเราเอาออกไปสักครั้งยากครับไม่ทราบว่าเราจะมีบูบายหรือวิธีก า, ก, การจัดการความคิดระเพิ่งยังไงบ้างรครับผมถ้าสมมุติว่าเรา มันเข้ามาง่ายมันออกไปยากนี่นะถามอย่างหนึ่งว่าความคิดเราเปรียบเหมือนสเก็ดไฟนะแล้วใจของเราที่มีสติหรือขาดสติเนี่ยเหมือนที่ที่ลองรับถ้าที่ลองรับเนี่ยมันเหมือนที่กองขยะหรือใบไม้สเก็ดไฟที่ตกไปมันก็จะไหม้นะจะไหม้ช้าไหม้เร็วขึ้นอร็วความแห้งของของใบไม้จะเป็นขยะก็ยิ่งไวแต่ถ้าหากว่า ก่อนหน้านั้นฝนตกมาหน่อยใบไม้มันชุ่มเลยนะสเก็ตไฟตกไปเองไงมันก็ไม่ช้าหน่อยบางทีว่าสเก็ตไฟที่ไปตกใส่ผ้าซื้อใบไม้ที่ฝนเพิ่งตกไปเม่กี้นี้มันก็ดับไปเลยใช่ไหมชันใดก็ดีถ้าความรู้สึกตัวของเราเปรียบเหมือนน้าที่ชุ่มโชคนะถ้าสิ่งที่เราความคิดจะเกิดขึ้นเปียบเสมือนสเกตของไฟเนี่ยพอกระทบความรู้สึกตัวปั๊บทามันชัดมากนะความคิดมันก็จะดับไปเอง แต่ถ้าหาความรู้สึกตัวนั้นไม่ชัดมันก็สะเก็ดก็ตกไปมันจะไม่ทีนิดทีนิดแต่ถ้ามันชัดเราพยายามจับความรู้สึกให้ชัดชัดไอ้ตัวคิดก็จะจางลงบางครั้งมันตกมาให้แห้งเราเห็นว่าเออเอาน้ําสาดมาหน่อยใช่ไหมก็จะไม่ช้าหน่อยให้ให้เห็นภาพพจนไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราจะแยกความคิดไม่ออกความคิดคือสิ่งเข้ามากระทบด้วยหลังความคิดมันจะเกิดจากทางไหนบ้างบางทีตาเห็นมันก็คิดอะไรใช่ไหมเออคนนี้ ไม่เข้าท่าเออคนนี้เข้าท่าได้ยินเสียงเออนี่พูดเพราะไม่เพราะเราก็คิดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความคิดมันมีถึง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทีนี้ไอ้ตัวรู้ของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันมีกําลังต่ํามันก็จะไปไล่ดับไม่ทันแต่ถ้ามีกําลังสูงเนี่ยไอ้ความหมุนของของสติมันไวพอที่จะไปรับรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับตัวรู้คือกลับมาอยู่กับตัวรู้ชัดเข้าเนี่ยสิ่งที่มากระทบปั๊บเนี่ยมันก็สลายไปเอง แต่ถ้าหาตัวรู้ไม่ชัดมันก็รับสิ่งนั้นเข้ามาแล้วก็เข้าไปในสิ่งนั้นเรียกว่าเข้าไปในความคิดเราเข้าไปอยู่ในความคิดปั๊บความทุกข์มันก็เกิดพอมาเจาะความรู้สึกตัวชัดความคิดมันก็ดับอีกแต่ตอนแรกมันอาจจะดับไม่หมดนะดับบ้างไม่ดับบ้างขึ้นอยู่กับความารู้ชัดเนี่ยมันชัดทั่วพร้อมหรือชัดแบบจุดจุดชัดรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วทางกายไอย้ความคิดเข้ามาก็ยังคิดได้อยู่สแสดงชัดไม่ถึงจิตพอความรู้ชัดเข้าไปถึงจิตปั๊บเนี่ย เขาเรียกว่าเกิดเป็นปัญญาปัญญามันก็จะปัญญากระตุ้วสัญชาตญาณเนี่ยมันก็จะทํางานใกล้เคียงกันสัญชาตญาณไวขนาดไหนปัญญาแล้วก็ไวขนาดนั้นแต่แต่ว่าเอาตัวรู้เข้าไปแทนเปลี่ยนตัวปัญญาที่เป็นสัญชาตญาณเป็นปัญญาที่เป็นปัญญายานมันก็จะไปแมตช์กันมันก็จะไปทันกันเขาเรียกรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันปั๊บเนี่ยโดยน้ํากับไฟถ้ามันมีจํานวนเท่ากันเอาไปใส่กันเนี่ยอันไหนแพ้อัไหนชนะโดยธรรมชาติ อา้าวน้ำกับไฟในจำนวนที่เท่ากันเอาไปใส่กันในแพ้ไหนชนะความมันเซนงมากเลยไฟมันก็ต้องดั บ, ดบใช่มเออเหมือนกันเมื่อความคิดความรู้สึกตัวมาในจำนวนเท่ากันมากรบกันความรู้สึกตัวก็จะดับความคิดได้เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยกำลังของตัวรู้เนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าความไม่รู้ เพราะความไม่รู้มันมันสืบทอดกันมาโดยความเคยชินแต่ตัวรู้เนี่ยเราพัฒนาได้แต่ความคิดมันพัฒนาไม่ได้มันเคยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ความรู้สึกตัวมันพัฒนาได้จากพัฒนาจากความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นตัวสติโดยสติพัฒนาเป็นสมัมปชัญญะสมัมปชัญญะพัฒนาเป็นสมาธิสมญญาธิพัฒนาเป็นตัวปัญญาปัญญาพัฒนาตัว ป, ปัญญาปัญญามันก็จะวัยขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยคิดบางรู้บางช่างมัน แต่พยายามรู้บ่อยๆความคิดมันก็จะถอยห่างไปเองเข้าใจไหมโอเคอ่าข้อต่อไปแต่ความจริงห้าโอเคตอนีห้่คือข้อเกี่ยวกับเวลาที่เราสร้างในการบนะะเาบนคือวาเป็นการใช้ความคะถ้าหากว่ารู้ คิดตัวคิดที่มีตัวรู้อยู่เราไม่เรียกว่าตัวคิดเราเรียกว่าเป็นสตินะถ้าคิดไปหลายมิตทิที่ซับซ้อนแต่ตามรู้อยู่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาอันเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าหากว่าตัวคิดที่เราคิดโดยที่ไม่มีตัวรู้มีตัวสดส่องรู้อยู่ตัวนั้นก็กลายเป็นตัวคิดเป็นตัวสังขารคือเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เพราะนั้นในชีวิตมนุษย์เราจําเป็นต้องใช้ความคิดใช่ไหมแต่ความคิดที่เราควบคุมได้ ก็เหมือนเราให้ใช้ไฟฉายนะหรือสวิตไฟแต่ความคิดของเราควบคุมไม่ได้เหมือนกับไฟช็อตหรือไฟที่มันตกไปที่ใดที่หนึ่งควบคุมไม่ได้และไม่รู้ตัวใช่ไหมเหมือนกับไฟตกที่ใดถึงเราไม่รู้ไฟนั้นก็จะกลายเป็นแสงสว่างหรือเป็นความร้อนเพราะคุณลักษณะของไฟมี2 อ, อย่างคือแสงสว่างกับความร้อนแต่วเมื่อเราจัดมันถูกความร้อนกลายเป็นแสงสว่างถ้าจัด ก, การมันผิดแสงสว่างกลายเป็นความร้อน ความรู้สึกตัวสัญชาตญาณถ้าจัดการมันถูกมันกลายเป็นปัญญาถ้าจัดการมันไม่ถูกมันกลายเป็นตัณหาอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเราทําด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็คิดไปมันจะคิดได้ดีมันจะวางอะไรได้ดีเป็นระเบียบพอจบเรื่องก็จบกันแต่ถ้าหากว่าเราคิดแบบขาดสติมันจบเรื่องแล้วมันไม่จบมันคิดต่อไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจึงจําเป็นต้องใช้มาก เพราะอะไรเพราะเราคิดมากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราคิดมากแต่ความรู้สึกตัวน้อยส่วนที่เหลือมันก็กลายเป็นเหตุเกิดทุกข์คือเป็นขยะเขาเรียกว่าสังขารแต่ในส่วนที่ความรู้สึกตัวมันมีมากกว่าความคิดมันน้อยกว่าตัวนี้ก็กลายเป็นปัญญาเขาเรียกว่าควบคุมกันได้เข้าใจไหมเพราะนั้นอย่าคิดมากเอาต่อไปเอา ขอคำถามครับคือบางทีททระหว่างที่ผมทดลอทงทำเนี่ยคือทำด้วยการอินต า, ากับความโดยหลักการในความรู้สึกของผมมันเป็นความเคยชินคือระหว่างทำโดยการหลักการผมจะตาได้ทาําจะรู้สึกแน่นขันมากกว่าการได้งินตามป<ฮ>็นความที่ผมฟุ้งก็คืออยากห้ผมพ<ฮ><ฮ>่อช่วยอธิบายหน่อยว่าผมควรจะแก้ไข ย, ยังไงหรือว่ามันควรจะเป็นยังไง อถ้าหากว่า <c oughs> หลับตาเนี่ยคนที่เคยหลับตาหรือไงก็ต้องหลับตาแต่ว่าให้สังเกตว่าหลับตาเนี่ยมันรู้ชัดเกินไปพอรู้ชัดเกินไปนานๆแล้วมันเกิน <c oughs> ก็เริ่มมันหลงมันเข้าไปในตัวความชัดความสงบอันนั้นมันชัดแต่ว่าในหลักของคาสอนพระิุทธเจ้าท่านใช้หลักมัชชิมาปฏิปทาคือรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างคิดบ้างแต่ให้รู้โดยตลอดก็ มันตรงไว้อีทางหนึ่งหลงโดยตลอดก็ตรงไว้ทางหนึ่งโยมเคยขึ้นบันไดไหมถ้าบันไดมันตรงขึ้นอย่างนี้เลยเป็นอย่ไงขึ้นยากไหมแต่ถ้าบันไดมันเป็นอย่างนี้ขึ้นง่ายใช่ไหมถ้ามันขึ้นรู้ถ้ามันลงหลงมันขึ้นไอ้ตารู้และหลงเท่าๆกันมันกลับเป็นส่วนที่ขึ้นได้ง่ายใจรู้ได้ง่ายแต่ถ้ามันรู้ตลอดบังคับให้รู้เนี่ยมันเหมือนบันไดที่ไม่มีขั้น ขึ้นยากใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้เขาเรียกตัวสุดโตรงแต่ถ้าหามันลงตลอดมันขึ้นได้ไหมคือหลงตลอดมันก็ลงตลอดถ้ารู้ตลอดมันก็ขึ้นตลอดรู้บ้างหลงบ้างเป็นไงอ่าอันนั้นคือหลักของมันเพราะฉะนั้นเวลาลืมตาเนี่ยรู้บ้างหลงบ้างเชื่อมันเพราะมันเป็นบันไดแต่ถ้านั่งเนี่ยมันจะรู้ตลอดรู้ชัดมากมันก็รู้อย่างเดียวมันก็เครียดนานๆเข้าแล้วดีสงบแล้วก็หลับไปเลย แล้วเราก็ติดที่นี่นั่งเมื่อไหร่มันไม่สงบเราก็หลับตาพอติดไปติดมามันก็ตัวหลับตานี่ยก่อให้เกิดตัวเข้าไปในความสงบที่ลึกเมื่อเข้าไปในสมมติเราไปติดความสงบใช่ไหมเพราะสงบเรามันสุขเวลาเราไปติดสุขพอไปติดสุขปั๊บมันก็ไม่ใช่เป้าหมายของการรู้แบบนี้มันไปอีกทางหนึ่งเข้าใจไหมโอเคเพราะฉะนั้นลืมตาทำํำจะสบายน ะ, ะเวลาโยมทํางานที่บ้านโยมทําช้าหรือทําเร็ว S <S บางสถานการณ์ช้าก็ควรช้าบางสถานการณ์เร็วก็ต้องเร็วใช่ไหมอยู่ที่สถ า, านการณ์แต่ว่าการทํานี้ถ้าสมมติว่าจิตมันรู้อยู่แล้วเนี่ยชัดอยู่แล้วก็ทำไวตามปกติพัฒนาความถี่ของตัวรู้แต่ถ้าว่าจิตมันเริ่มวกแวกคิดโน่นคิด น, น, ดนี้ต้องทําช้าลงเพื่อให้เห็นมันชัดๆว่ามันคิดอะไรหรือช้ามากก็ได้ แต่พอมันเริ่มปกติมันไม่คิดอะไรลงร่วงโปร่งเบาสบายก็ไวก็ได้ขึ้นอยู่สนานการ์ว่าเอาข้างในเป็นตัวกำหนดแต่ตัวช้าข้างนอกน้นเป็นเพียงรูปแบบแต่ว่าจะใช้ได้เร็วขึ้นขึ้นแงเงื่อนไขข้างในว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ส่องดูข้างในเข้าใจไหมช้าก็ได้เร็วก็ได้เอาแต่ข้างในเป็นเกณฑ์นะถ้าข้างในไม่สงบก็เอาชา้าช้าข้างในสงบดีแล้วไวก็ได้ อ้าต่อไปไม่มีนะเพื่อว่าเออข้างหลังเพราะว่าคนที่ไม่ได้ถามก็จะได้ไปทำด้วยความเข้าใจนะโยม <c oughs> ต้องหลับตาลงหลับตาลงนานแล้วก็ลืมตาขึ้น ขณะหลับตาเนี่ยเห็นอะไรไหมแล้วลืมตาเห็นอะไรไหยทีนี้ตัวเห็นเหมือนกันหลับตาแล้วก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นอะไรก็เห็นความมืด่งไงคือมืดแบบหลับตาใช่ไหมเพรสว่างขึ้นคือตัวปัญญาที่เป็นโดยสัชยยรชาติญาณเหมือนเหมือนหลับตาแล้วก็ใช้จิตนาการ แต่ปัญญาที่มันเป็นปัญญาญาณเหมือนแล้วลืมตาคือไม่ต้องใช้มันไม่ใช่ความพยายามที่จะนึกอะ่ะมันเห็นมันก็ได้คำตอบเลยพระัวปัญญาที่เป็นโลกุตตะรธรรมเนี่ยท่านใช้ก็ปรากฏชัดอ่าไม่ใช่คิดนะในหนังสือธรรมวัตรได้เลยสวดว่าเกวรสาทุขคันทัสะอันตะกิริยาปัญญาเยทา ทำเชนะ่นไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่ชัดกับเราได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏชัดๆัดแล้วได้คําตอบเลยตัวนั้นเป็นปัญญาอันไหนที่ไม่ปรากฏชัดขมูขมัวไม่ได้คําตอบสงสัยอันนั้นเป็นปัญญาแบบสัญชตาตญาณเข้าใจไหมเออมีเรื่องเรื่องหนึ่งถามเรงนี้นึกขึ้นได้ว่าสมัยครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึง่งเข้าไปสํานักต่างๆเขาปฏิบัติที่นี้ แต่และสำนักก็ยืนยันของตัวเองว่าเป็นโลกุตระปัญญาใช่ไหมแต่ที่นี้เขาเลยได้คําตอบถ้าหากว่ามันเป็นคําตอบที่ถูกตอ้องมันต้องเหมือนกับทุกอาจารย์ใช่อันที่แต่อาจารย์ตอบเป็นคนละอย่างเพราะนั้นคําว่าโลกุตระปัญญาเป็นอย่างไรถามไปธรรมะก็มีคนแนบไปหาผู้ที่เจ้านี่สมณะโคตมะโคตมะพักอยู่ตรงนั้นนะ่ะลองไปถามดูดิมาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความปร ะ, ะความ คิดที่ว่าเป็นปัญญากับที่เป็นปัญญาแบบทางโลกกับทางธรรมเป็นยังไงความคิดที่ว่าปัญญาที่เป็นโลคิยะโลกุตระเนี่ยต่างกันยังไงพุทธิยถาท่านก็ไม่ได้ตอบ ท, ทันทีใช่ไหมท่านก็ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินไปเดินมาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็นั่งแล้วก็นอนลงแล้วก็ลุกขึ้น ก็แปล ว, แว่า น, นี้แหละพราหมณ์คือโลกุตระปัญญาพราหมณ์เอ้าไม่เห็นว่ามันเป็นตรงไหนอะยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ใครก็ทําได้แต่ถามว่าคนทั่วไปยืนเดินนั่งนอนเขารู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกแต่ที่เราแต่ทาคตทําให้ดูเนี่ยเราทําด้วยความรู้สึกตัวไหมรู้สึกเพราะงัความรู้สึกตัวชัดๆนี่เป็นตัวโลกุตรปัญญา อันนี้ตัวว่าถึงลักษณะรู้ตัวนะแต่ที่เราเห็นอะไรชัดๆแล้วได้คําตอบเนี่ยต้องสงสัยต้องคิดต่อไปไหมไม่สงสัยมันคิดเพราะมันได้คําตอบแล้วแต่ถ้าเราดูอะไรอะไรไม่ชัดเนี่ยมันสงสัยมันคิดตรงนี้เป็นปัญญาที่ไม่ไม่ชัดเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นโลคียะหรือเป็นสัญชัดญาเปลือกสมุนไฟทั่วไปแต่โลกุตระปัญญาเปลือกสมุนไพ ฟ, ฟ้าที่ถูกแปลงมาเป็นแสงสว่างแล้วซึ่งจะมีความ ระเย็และความแรงต่างกันเพราะนั้นเราจึงมาปรับไอความรู้สึกตัวนี้เปรียิเสมือนแรงไฟแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มาปรับด้วยสติปัฏฐานอย่างนี้มันก็เป็นไฟอันหนึ่งไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใช่ไหมแต่พอปรับมาเป็นแล้วมันเป็นไฟของอะไรไฟของศีลไฟสมาธิไฟปัญญานี่เป็นแสงสว่างแบบถูกปรับมาแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหม ก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครสงสัยนะไม่มีใครสงสัยก็จะให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในการสร้างจังหวะพร้อมกันนะตั้งแต่นี้ไปเอาตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่น